بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْقَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ ا ل ر َّ ح ْ م َ ن ِ الرَّحِيمِ ب ِ س ْ م ِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ل ِ ي ُ و ف ِّ ي َ ه ُ م ْ و َ ع ه م ُ وَيَجِدَهُمْ م ن ْ ف َْ ل ِ ل ِ ي ُ و ف ِّ ي َ ه ُ م ْ فاضلِ إنَّه غ ف ُ و ر ش َ ك و ر غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أ و ح ي ن َ ا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالَّذِي أ َ و ح ي ن َ ا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ทุ่มม์เอวร์ร ا น์อัลมิตาบัลลัซทัฟอีน่ามินอิบะดินา ا ل ่มม์เอวร์รสน์อัลคิตาบัล ا ัซทัฟอีน่ามินอ ا ل ะ ว่ามิหนุ سابق ุม بالخيرات ب ذ ن الله ว่า سابق ุม بالخيرات بإذن اللهذلك هو ا ل ا ل ك ب ي ر เขาคืออัลฟั่ดลุลกับีร์จัน่าจันนต์อัลเดนีจะเข้าลุนน s h a we? إ ัลَอฮฺอَّลอฮฺอัَลอฮฺอ ل َลُฮฺอัลล و ฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอَลลอฮฺِัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا ي ض ر ّ م ع اسمه ش ي ء في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس العليم رضيت بالله ر ب وب ا وبالإسلام د ي ن وب ا وبمحمد ا ل ر س و ل ا ل ل ه م إني أعوذ بك من الكسل و س و ء ا ل ك ب ر ر ب บบีอาอุบุบิค์ม ا หนาดับมิใ ف นารีว่าดับมิใ ف ลับรีอั ي ลัฮุมอาฟิ ا ีฟีบัดนีว่าฟินี ي سبحان อัลล و ฮฺและพระหัตถ์พระองค์อาดัลขัลกิฮฺวริดานัฟซ حي ي ย قيوم ب รหัมดิค์อัส ا ักิส ي ั ا ลิฮ์ล ولا تكلني إلى نفس طرف عين الله مَن ي ت ت ع و ذ ب ك مِنَ الْبَرْسِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ كوفيد โควิด <roller> 19ขอบคุ ل พระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ทุกท่านที่ร่วมนมัสการ ที่บ้านของอัลลอฮ์ที่รักทั้งหลายครับอราทำได้ดีแล้วเราต้องดีใจนะที่เราเป็นเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็เราอยู่ในเดือนที่ประเสริฐที่สุดนะครับในชีวิตของเราในเดือนอมาดอ น, เ, นเป็นเดือนที่ดีที่สุดแล้วก็ในสิบคืนสุดท้ายของเดือนอมาดอนเนี่ย ซึ่งท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตานมุสลัมนี่เตือนภรรยาและคนในครอบครัวรวมไปถึงบรรดาสุขบ้านของท่านนบีในยุคที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยเตือนบวกให้กระชับกระเชงเพราะว่าอสิบคืนสุดท้ายนี่มันก็แย่ๆด้วยกันนะนบีก็บอกอย่าแย่ให้ชิดอชัดมะซาเรหูนบีก็กระชับผ้ากระชับผ้า อภรณ์เนี่ยนะครับให้ให้ลูกขึ้นมามาอ่านกูรา์านมามาขออุดรีนะครับมาบริจาคแล้วก็มามาซิกรุนลหรอเนี่ยสามสี่รายการเนี่ยให้ทําให้เยอะนมาสักสองรากาตทํามันตรงกับคืนไล่รถตุลกอดรีนี่ผ ล, ลบุญเท่ากับ8ปดบสปีนมาแค่สองรากาตนะ ถ้าเรานำมายืนนำมาตลอดทั้งชีวิตเราใน83ปีถ้าเราขอทูอ้าวต่อรออภัยโทษให้กับเราอภัยโทษให้กับพ่อแม่ของเราครอบครัวเราเท่ากับเราขอทูลอ้านานถึง83ปีถ้าเราอ่านบกุรานอิกรุลลอห์เนี่ยถ้าพอเราขอทูลอ้านานถึง83ปีพี่น้องนี่แหละเป็นเรียกว่าโปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะครับนี่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะบุห์ตะอัลลอ เพราะฉะนั้นเดือนอรมาดอนมานี่ถือิ้นอดแล้วต้องอ่านกุรานถือิ้นอดแล้วต้องขอดูอาถือสีนอดแล้วต้องซิกรุลล้อถือสินอดแล้วต้องบริจาคนะครับมากน้อยไม่มีปัญหาถ้าเราตรงกันกับคืนละโยตุลกัจจ리ถ้าก็ยืนบริจาคเนี่ยแปปีนะอัลลอฮฺอลอฮฺอัรเนี่ยและอายุของอุ ม, มาอับดบีมุฮัมมัดเนี่ยสั้น สั้นเลยมีโปรโมชั่นแยอะนะอ้าวนมาที่มัสเตอรทารอมเท่าไรแสนเท่าว aktu หนึ่งนะแสนเท่าแต่ช่วงนี้ไปไปไปไม่ได้แต่ยุคก่อนเนี่ยไม่มีนะอรรถไม่ได้ให้ถึงขนาดนี้หรไปนมาที่นครมดินาได้พันเท่าเห็นไหมเราก็อาดเดียวนะอรอบัตรนมาเดียวได้พันเท่าแล้วก็แนวะทิศนมาที่บ้านเราเนี่ยยี่สิบห้าเท่าถึงยี่สิบเจ็ดเท่า ในยุคก่อนๆไม่มีแบบนี้นี่แหละเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็ยังมีคืนไล่ลดทุนก็เดี๋ยค่อยรุมมินอัลฟิชาอีกเนี่ยเท่ากับ83ปีกับ4เดือนนี่เท่าไหร่นี่นะครับทำได้ดีแล้วพี่น้องน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายมั้ง น, นะวอาทิตย์วันที่17วันนี้นะก็คุณเจีกแลนะนาวาน่าอาทิตย์หน้าคุณเ จ, จี๊ยบแหละจะรอถาวันอีตรงกับวันอีเราหยุดหยุดสอนตับเส้นะทําด้ดแล้ว ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเรามาทบทวนคุรานนะพี่น้องมีผ ล, ละบุญเยอะ น, น, เน ะ, นนน ะ, น เ, นะนเนี่ยถ้าคืนนิ่งคืนไลอ่ตุลกอตดีถึงซูโบเนี่ยถึงพระญาติขึ้นถ้าก็นั่งอ่านคุรานนแปดสบาปีนะครับี่อเรามาทบทวนคุรานมาถึงซูรฟฟาติสฟาติสเนี่แปลว่าเนรมิตอัลลอฮ์เนรมิตเนี่ยทุกถึง ท, ท, ทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีแปลนมาก่อนด้วยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเองนะ ชั้นสร้างชั้นฟ้าไม่มีแปลนแผ่นดินไม่มีแพลนสร้างมนุษย์มาเนี่ยไม่มีแปลนของใครเลยนะอัลลอฮฺอัลบัดเราก็มีหูมีท่ามีจมูกเนี่ยผมเพิ่งศึกษาผมรู้เองว่ากระเพาะอาหารน่ยอยู่ในกะระเทถอออยู่ตรงนี้ใช่ไหมละ่ะแต่กระเพาะอาหารของกุ้งอยู่ที่ไหนอยู่บนหัวเนี่ยใครออกแบบอย่างเงี้ยกระเพาะอาหารของกุ้งน่ยอยู่บนหัว ดังนั้นคนที่กินกุ้งเป็นเนี่ยก็ต้องเอาเอาอะไรนะเอากระเพาะมันออกก่อนเพราะนั่นตัวเชื้อโรคหมดเลยนะ่ะทำให้เป็นนู่นเป็นนี่ถ้าไม่เอาออกก่อนกระเพาะอยู่ที่ไหนบนศีรษะบนหัวใข่ออกแบบอย่างเงี้ยทำมาใช่ All <c oughs> อลลอสอ่านดูเลยละนั่งคิดแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ออลลอสสร้างมาเนี่ยคนฉลาดนี่แหละเป็นสัญญาณหลายอย่างสําหรับผู้ที่ฉลาด นะครับนั่งคิดแบบนี้นะครับอ่านอ่านอันหนังสือเยอะๆนะนครับเอาวันนี้มาอายาที่เท่าไหร่นะสามสิบนะครับลิยุฟีอุมอูรอมวายซีดะฮุมมิม فضل ิอินน ahu غفورٰن شكور ลีวฟฟุมอ <ess> ุจ <S ess> ุรอ <ess> ุมและจะ زيد อะน فضل อินทร์เขากรุณาชักกรุณาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺออฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ k อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ a ัลลอฮฺอัลลอฮ o อั ออตอบแทนให้ครบมาอยู่ว่ฟิยหุมเนี่ยแปลว่าเพื่ออัลลอจะทรงตอบแทนโดยครบถ้วนอะไรครับอูยูรอหุมซึ่งรางวัลของพวกเขาสาเหตุที่อัลลอเล่าเรื่องรางวัลตอบแทนให้ครบถ้วนเนื่องมาจากอายาที่แล้วนะก่อนหน้านี้นะครับอายาที่2ี่เนี่ย ยาโรจนนาติยาโรตันตะบูคนที่ทำการค้าเนี่ยมีแต่กำไรอย่างเดียวไม่ขาดทุนมีเปล่าไม่มีรอกในโลกนี้มีอยู่อย่างเดียวนะทำทำธุรกิจกับอโลนแล้วไม่เรื่องขาดทุนไม่มีนะ่ะอายาที่ผ่านมาอายาที่ยี่เนี่ยอะไรบ้าง อัลลาฮินยัทลูนกิตาบัลลอแท้จริงบรรดาผู้ที่อ่านคําภีของอัลลอฮนี่เป็นการค่าชนิดหนึ่งที่ไม่ขาดทุนต่อมาวะอักอมุสซาเลดํารงไว้ซึ่งการนมารทํางานของอัลลอฮเพื่ออัลลอฮไม่ขาดทุนวะอัลฟากูมิมมาราะจักนาฮุมแล้วก็พวกเขาบริจาค บางส่วนจากริสกีที่อัลลอ์ได้ประทานให้แก่เขาซิรอนท้งที่ลับว่าลานิยะท้งที่แจ้งไม่ขาดทุนยัรยูนาติจะรอตันพวกเขาหวังนะครับกำไรในการค้าลันตะบูดไม่ขาดทุนเลยอีกอายะอื่นอธิบายอย่างนี้คนที่อิมานต่ออัลลอ์ การอีมานของเขาถ้าทาเพือ่อลอจิงจริงๆนะเรื่องขาดทุนไม่มีมีแต่กำไรและอีมานตะวันอาคิอร็อเป็นการคาร้าที่ไม่ขาดทุนถูกลงว่างานศาสนาเนี่ยเอาล้อเปรียบเสมือนการคาร้าชนิดหนึ่งเห็นไหมทำไมเปรียบอย่างนี้ล่ะมันเข้าใจง่ายอ่ะอ๋ออุตสาห์เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวบางบางวันขาดทุนน่ะ บางวันก็ได้พอเท่าทุนกำไรเล็กๆไม่น้อยใช่ไหมละ่ะค้าขายเนี่ยแต่อัลลอ์เล่านะครับพี่คุรอ่านว่าค้าขายกับอัลลอฮ์นะเรื่องขาดทุนไม่มีมีแต่กำไรกำไรกาไรกาไรถาว่านักธุรกิจ ช, ชอบหรือไม่ชอบชอบทุกคนเลยนี่ไงอ่านคุณอ่านอายะที่ยี่สิบเก้าที่สามสิบนะอัลลอฮ์ที่ยี่สิบเก้าที่สามสิบเสียที่ยี่สิบเก้าแท้จริงคนที่ทอ่านกุอ่าน นะครับและคนที่นำมาผู้ที่บริจาคทรัพย์สมบัติของเขาบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะท้งที่รับและที่แจ้งนาะยะอื่นว่าอีมานต่อ Allah, อัลลอฮ์ إ ي م ا ต่อวันอาคิราะตายแล้วฟื้นเชื่อแบบนี้นะนั่นเป็นการค้าที่ลันตายุดลันตะบูรไม่ขาดทุนเลยสบายใจใช่ไหม <laughs> สบายใจพี่น้องอ่านกุรานแล้วสบายใจแสดงว่าที่เรานมาสกาเวลานี่ขาดทุนไหมไม่ขาดทุนครับที่ถือโอนดเดืดอนธันวาควันนี้มาที่เทรายเนี่ยยี่สิบพิระยี่สิบสี่นะไม่ขาดทุนเลยนะ <c oughs> ที่อ่านกุรานก็ไม่ขาดทุนที่ขออุนอาก็ไม่ขาดทุนอย่างอื่นทำเนี่ยทำเพื่อดุจยาเนี่ขาดทุนหมดเลยนะแต่ทําเพื่ออัลลอฮ์ทาเพื่ออัลลอฮ์เรื่องขาดทุนไม่มี Oh. อาญานี้ต่างหากที่อลเาว่าในเมื่อขาดทุนไม่มีล้าเป็นไงครับลิวฟิอาหุมเพื่ออลัลลอ์จะได้ทรงตอบแทนพวกเขาโดยครบท้วนเห็น ย, ยังครับที่สัญญาว่าการค้าของพวกเขานั้นไม่ขาดทุนอาญาณี้ต้องการจะให้กำลังใจต่ออีว่าอาลัลลอ์จะทำให้ครบท้วนอลัลลอ์จะทรงตอบแทนให้ครบท้วน ที่สัญญาว่าการค้าไม่ขาดทุนนะออละจะตอบแทนแล้วิตอบแทนแบบไหนครับอูยูรหฮุมรางวัลของพวกเขาอยู่ว่าฟรีแปว่าครบถ้วนเลยนะยังไม่พอวายซีดาฮมมุมฟาวตุ ล, ลิแล้วก็จะส่งเพิ่มพูนให้กำไรแล้วยังไม่พอเองยังแถมอีก วายาซีดาวฮุมิงฟอกลิแล้วก็แถมให้เป็นพิเศษอีกเไหมเอากำไรไปแล้วยังไม่พอแถมอกีกสบายใจมามท่านคนอีมานต่ออัลลอ์คนอีมานต่อรอซูลอีมานตวันอาคออมานหข้อเนี่ยเรื่องขาดทุนไม่มีรุกกนอิสลามอีกหข้ อ, ขอเรื่องขาดทุนไม่มี เรื่องการบริจาคทั้งหมดที่เราทำงานของอัลลอ์อยู่เลยนะเรื่องขาดทุนไม่มียิงอายะที่สามสิบสบายใจไหมอัลลอฮ์จะทำให้ครบถ้วนอัลลออับจะตอบแทนให้ครบถ้วนซึ่งรางวัลของพวกเขาความดีที่เขาทำเพื่ออัลลอสุบฮานห์วาาลาและยังไม่พอนะวยซีดฮุมและอัลลอ์จะทรงเพิ่มให้แกเขาอีก เพิ่มพูนให้แก่เขาอีกอัลลอฮ์บอบัเพิ่มพูนมาจากไหนล่ะมิฟาวบรีจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์เห็นอย่างครับอัลลอฮ์ที่ที่ครั่งอัลลอฮ์เนี่นะจะให้มนุษย์ขนาดไหนก็ตามนะครั่งไม่ยุบอัลลอฮ์มีครั่งนะเขาเรียกว่าคอซาอินขอจีนังแต่ว่าครังมีครั่งนะเก็บลูกหูลูกตาเอาไว้ปนะ หัวใจอยู่ในในครั้งหมดเลยนะ่ะแขนขามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยอารม์มีคลังเก็บเอาไว้ความรู้ริสตีอย่างอื่นเต็มไปหมดให้กับมนุษย์ท่าด่าเจ็ดพันล้านแล้วนี่ยนะยังไม่ยุบ <c oughs> แต่ถ้าจะแถมอีกในวันในวันเกียร์มาอ่านนี่พูดถึวันวันเกียร์มานะถ้าจะแถมให้จะยุบหรือไม่ยุบไม่ยุบครับฉะนั้นคนที่เข้าสวรรค์นี่นะไม่ใช่เข้าเพราะนามาต ไม่ใช่เข้าเพราะถือซินอดนะเข้าเพราะอ AH, ัลลอฮ์เมตตาเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่เห็นบาปคนนี้นะทํามามันที่ซอนแล้อัลลอฮ์เลยประทานความโปรดปรานให้เอา้าเอาไป ถ, าถ้าจะถ้าจะไปแลกนามาเนี่ยอัลลอฮ์คงไม่แลกรงนมาดวัน5เวลาบางคนกูชั่วไหมกูชั่วไม่ใช่ไ่มนะถือสินอดก็เหมือนกันบางคนก็ถือแบบ ให้ลดน้ำหนักมีบางคนถือสันโอดให้ลดเบาหวานมีแต่กีมีกี่คนนะที่ถือสันโอดแล้วหวังรางวัลตอบแทนจาก Allah, อัลลอฮ์มี إ ม م ا ن เพิ่มมันก็มีมันก็มีมนมในโลกนี้มันก็มีฉะนั้นตอบแทนรางวัลครบถ้วนแล้วยังไม่พอวายซีด้าฮุมและยังเพิ่มไปอีกเพิ่มภูนั่นอีกเนี่ยอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะครับเพิ่มภูมาจากไหนครับมิมฟาตุลีจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์ เก็บไว้ที่ไหนอยู่ในครังของอัลลอฮ์สุบฮานอหูวะตาในคั้งไม่มีตรงนี้มันจะเขียนเอาไว้นะแต่นับซีดอธิบายเอาไว้เอาต่อมาครับอินนะฮูแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยกอฟูรุนผู้ทรงอาภายัยไอ้มังครับคนที่จะอลัลลอฮ์จะอาภัยโทษเนี่ยต้องมีบาปก่อนพอทำบาปแล้วต่าบาตัวซะดีหรือไม่ดี <laughs> ฉะนั้นอย่าเป็นคนกาเฟทที่ทําบาปแล้วตบบ้าตัวไม่เป็นอย่าเป็นคนกาเฟทเราต้องเป็นมุมินแบบซอฟบ้านอับดุลเบีท่มก่อนเนี่ยไม่ใช่มุสลิมสักคนหนึ่งใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ต่อมามารับอิสลามเลยว่าล่ะแล้วก็ตบบ้าตัวกันหมดเลยนะพี่น้องฉะนั้นอัลลอฮ์จะอภัยโทษในความผิดของคนที่ผิดแล้วยอมตบบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุต่ า, ตาละฉะนั้นอยจะคิดว่า ฉันถือบวชแล้วไม่ต้องเตาบ้าหรอกอร้อยอภัยโทษให้ไม่ใช่ต้องเตาบ้าอีกนะครับตอนสูยุทธเนี่ยรู้ขึ้นน้ำมาตะฮัจยุสเนี่ยนะครับน้ำมาคนเดียวมันก็ได้ใช่ไหมช่วงโควิดเนี่ยรู้เลยไม่ต้องมาสุรา บ, บางคนน้ำมาไม่เป็น ม, มีัหมมีคนท้องทรา บ, บาผมแย่จานทำไงดีลราเนี้น้ำมากันในบ้านไม่เป็นเลยสามีก็เป็นหัวอัลับรับอิสลามอ่านครุรานไม่เป็น อัลลอฮ์เขาต้องอธิบายกันในนะัให้กำลังใจกันไปเนาะต่อมาครับชักูรุนนี่นะเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะผู้ทรงประทานรางวัลตอบแทนอัลลอฮ์ชักูรเนี่ยประทานรางวัลตอบแทนให้ผู้ทรงอาภัยเลยยังไม่พอประทานรางวัลตอบแทนให้ที่เขาทําการค้ากับอัลลอฮ์เป็นการค้าที่ไม่ขาดทุนเนี่ยอัลลอฮ์จะมอบให้ในส่วน น, นี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยครับไปเนาะ พระคุณอาเนี่ไม่เคยพูดโกหกคุณอาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับโรกดุลยาใบนี้เนี่ยเป็นของอัลลอฮฺอัลลอฮ์สร้างมานะครับทีนี้บางคนบอกว่าฉันต้องเห็นหน้าอัลลอฮ์ก่อนถึงจะเชื่อว่าอัลลอฮ์มีไอ้โรคโควิดเนี่เห็นหน้าโรคโรคโรคโควิดปล่าว่ะเพราทําไมเชื่อกันทั้งโลกอ่ะโรคโควิดนี่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาด้วยนะแล้วทําไมเชื่อกันทั้งหมดทั้งโลกอ่ะ แต่ถ้าอัลลอ์ฉันต้องมองเห็นหน้าอัลลอ์ก่อนนะก่อนนอนคิดเองก่อนลกันโอ้ว่า น, นี่สติปิหรือเปล่าใเห็นหรือเปล่าอัลลอฮ์ทไมต้องเห็นหน้าอัลลอ์ก่อนต้องเห็นหน้านบีก่อนว่าวะฮีมาอย่างนี้จริงหรือเปล่าอัลลอเอาต่อมาครับอยายที่สออัลลอฮ์นี้อยายหเนี้ต้องการจะอธิบายว่ายาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีมชั่วฟอาอีกวยซีดะฮุมมิฟัตุลีอัลลอ์จะจะกลมเพิ่มพูนให้ คือคนที่ได้รับสะฟะัอาจากอัลลอ์เนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะเราเนี่ยนะจะเข้าสวรรค์บางทีต้องผ่านสะฟะัอาก็มีด้วยแค่ท่านคนที่จะได้สะฟะัอาจากอัลลอ์เนี่ยหนึ่งต้องอิมัลหข้ออิสลามอีกห้าข้อและอะไรแหละต้องรุกขึ้นนมาแต่ฮัยุทธต้องบริจาคต้องให้อภัยคนมันมีสิทธิอยู่เยอะอันประมาณเก้าข้อด้วยกัน เช่นไปอยู่ที่นครมดีนาเนี่ยเจอปัญหาเดืร้อนในห้ามบ่นนะบ่นอยู่เมืองไทยนก็บ่นไปเถอะแต่ไปอยู่ในมดีนาเนี่ยที่กูโบนบีฝังอยู่ตรงนั้นเน่ยเวลามีปัญหาเดอร้อนน่ะใครสบายว่างบนพญานี่ทั้งสบายทั้งหมนไม่มีเดี๋ยวก็มีปัญหาเดืร้อนเข้ามาพอมีปัญหานเนี่ยห้ามอะไรนะห้ามบน่นต้องอดทนพร อ, อดทนมีรางวัลตอบแทนจากอรรถทันทีเลยห้ามด้วยเลยเลเอาต่อมาครับ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 والذي ِ وال أوحينا َ إليك َ من الكتاب ِ هو الحق َ مصدقا َّ لما بين يديه َ إن الله بع َ بعباده َِِ ل َ خ َ ب ي ر بصير َ الحمد لله الله أكبر อายัดที่ผ่านมาเนี่รางวัลการค้าไม่ขาดทุนนะตกลงเป็นเป็นมุสลิมเนี่ยกำไรราคาทุนมีแต่กำไร ห, หมดเลยนเอาอายัดนี้ก็ดีอีกอ ล, ละคำอยู่เลยเลยอายัดประการจะบอกว่าคำพรีรกลาเนี่ยมาจากใครมาจากอัลลอ์เป็นเรื่องจริงใช่ไหมและในคำพีกอาอธิบายอย่างนี้มนุษย์เนี่ยเกิดกี่ครั้ง เกิดสองครั้งตายกี่ครั้งตายสองครั้งเอ๊ะใช่และมดูกุรานสุรบะกรอกัฟะตักฟรูรนบิลลาิวากุนตุมอัมวตาฟอยาคุมซุมมายุมีตุกุมซุมมายุฮยคุมซุมมอิลตุ ร, จรูจนอัลลอฮ์การนักอ่านคุราสุรบะกรองว่า <c oughs> พวกท่า น, นจะปฏิเสธอัลลอฮ์ได้อย่างไง นี่เป็นความจริงเี่ยเล่าเล่าไปฟังนะคุณเนี่ยมาก่อนอในสภาพคนตายตอนวิญญาณออกจากท้องจากหลังอันนบีอาดามน่นวิญญาณออกมาก่อนนะนั่นสภาพคนตายแล้วก็พระอาหิยายนะกุมเราได้สูจ้านมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นี่ครั้งนิตตาเนี่ยฟื้นครั้ ง, งแรกนะเดี๋ยวอยู่มีตัวกุมให้ท่านตายตายนี้เป็นตายครั้งที่สอง ซุมมาอยู่หยิกุ้มแล้วก็ฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งในโลกอาคเราอนี่เป็นการฟื้นครั้งที่สองแบบฟื้นบูญกญญานี่แหละเรื่องอย่างนี้ใน เ, นเรื่องจริงอขลเล่าเล่าให้ฟังเองไม่เชื่อเรื่องของเองตกลงมาตายกี่ครั้งสองเกิดกี่ครั้งเกิดสองครั้งอัลลอฮฺหุบบัตแห่งยังครับลูกคนอิสลามนี่กี่ข้อหข้อเป็นเรื่องจริงครับอีมานกี่ข้อหข้อเป็นเรื่องจริงครับจุนักการพิจารคุณอ่านหมดเลยอัลฮัมดุลิลแล แล้วทุกคนเนี่ยตายแล้วต้องฟื้นไหมเป็นเรื่องจริงครับตายเท่าไหร่ฟื้นเท่านั้นวันเกียมมามีจริงไหมมีจริงครับฉะนั้นคณอ่าน ญ, ญาญานนี้เตือนบอกว่าวันละีเอาไฮนาะอิลกะกและคำพีแปแปรกีตาบก่อนนะและคำพีเอาไฮ้นาะซึ่งเราได้ว่าฮีแก่มุัม m m a คัมภีร์คุรานนี่นะอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ได้ประทานได้วะฮีให้กับนบีมุฮัมมัดอีไลก้าให้กับท่านเนี่ยมาจนนบีมุฮัมมัด น, น่ะฮุวลักกูเป็นความจริงอัลลอฮฺอักบะต์คุรานเป็นความจริงที่มาจากอัลลอฮ์ถามว่าความรู้จากคัมภีร์คุรานน่ะเป็นความรู้หมดเลยนะ เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังเนี่ยท่านนบีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่เป็นได้รับความรู้ผ่านวาฮีเป็นกุรอานลมะฮานาบีนั่นคือความรู้ทั้งหมดแล้วก็นบีก็จําหมดเลยความรู้ที่จิตบรีนํามาเล่าให้นบี น, นานบีฟังเนี่ยจำหมดเลยนะยิ่งนบีเนี่ยอ่านอ่านกุรอานเนี่ยในเดือนระมาอนอ่ะรู้ไหมอ่านกลางวันหรือกลางคืนนีเป็นความรู้นะอ่านกลางคืน อ่านคุณอานนบีอ่านกุณอ่านในเวลากลางคืนอ่านกับใครท่านยิบรีลงมาครับมาทวนกุณอ่านกับท่านนบีก่อนนี่นบีปีท่านเสียชีวิตน่ะลงมาอ่านยี่สิบคืนน่ะบางทีนบีอ่านให้ยิบรีฟังทียิบรีอ่านท่านไฮบีฟังเห็นไหมฉะนัอ่านคุณอ่านตอนกลางคืนมีผลบุญมากกว่ากลางวันแต่ไม่ได้หมายความว่า กังวันมีกังวันก็มีผลระบุนเนี่ยแต่กลางคืนเน่ยดีกว่าไหมทำด้วยลิลเลอร์เห็นยังครับในชีวิตของระดีฉะนั้นกูนอานเป็นเรื่องจริงทั้งหมดละ ท, ท, ท, ทุกตัวทุกตัวอักษรเนี่ยนะฉะนั้นเวลาเราอา่านกูนอาเนี่ยให้จําศัพท์บ้างอย่างศัพบวบ์อนนี้มีอะไรบ้างกิตาแปลว่าคําพีอลัลฮักูเป็นเรื่องจริงแ่วั้นทีนี้กูนอานเป็นเรื่องจริงเรื่องอะไรครับมูซอดดิกนแปลว่ายืนยัน ลีมาใบนายาได้คัมภีร์ที่มาก่อนหน้าคัมภีรุณอ่านทุกเล่มกุณอ่านยืนยันว่านั่นก็มาจากอัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ تعالى ฉันจะพอะไรบ้างซะบูอิญจีนเตารอรใช่ไหมสามสี่ฉบับที่ให้กับบรรดาณบีต่างๆนั้นกุณอ่านเนี่ยมุซอดีก่อนยืนยันว่านั่นเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอ์จริงใครปฏิเสธคัมภีร์สามสี่ฉบับนั้นได้ไหมไม่ได้ครับ ยิ่งเรา穆斯林เนี่ยทั้งๆที่ไม่เคยเห็นคัมภิ้์ตอรอร ด, ด้วยใช่ไหมไม่เคยเห็นคำพิ้วอินยินด้วยมันนะที่เห็นเนอยู่ในคำแปรมานะเห็นภาษาอังกฤษนภาษาฮิบรูเนี่ยภาษาเดิมนะใช่ไหมท่า น, นภาษารับเป็นภาษาของอ AH. ัลลอฮ์เห็นยังครับอัลลอฮ์เนี่ยท่า น, นเด็กมุสลิมเราเองต้องเรียนภาษารับเยอะๆหน่อยอะอย่างน้อยจะได้อ่านกูณอ่านเข้าใจอะอ่านสักอาญาหนึ่งได้ศั์สักห้าคำก็ยังดีอัลลอฮฺอัลลอฮ อ่าตุลงว่าสิ่งที่เราได้ประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดเป็นคำพีกูรอ่านนั้นเป็นเรื่องจริงยืนยันว่าคำพีที่มาก่อนหน้ากูรอ่านนั่นเป็นคำพีของอัลลอฮ์จริงปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะครับ <S <S อินนัลลอฮ์เบียบาดีฮแท้จริงอัลลอ์เนี่ยนะเบียบาดีฮ เกี่ยวกับเบาวของพระองค์ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้เจ็ดพันล้านเนี่ยนะขอบีรุนแปลว่าอัลล อ, อ์ทรงรู้ละเอียดพฤติกรรมพฤติการของมนุษย์ทุกคนรู้ละเอียดหมดเลยขอบีรุนแปลว่ารู้ละเอียดยิบ ต, ตาเนี่ยกระพริบกี่ครัง้งต่อวันและปีหนึ่งกระพริบเท่าไหร่เขาบอกว่ารู้หมดหูเนี่ยฟังของฮารอมกี่ครัง้งฟังของฮารานกี่ครัง้ง <c oughs> ปากต้องมัอนการพูดของฮารอมกี่ครั้งพูดนื้อเสิหัดพูดจาดีด <c oughs> ดาว่าเชิญชวนคนกี่ข้งอลัอลลอฮ์รับมาทึกหมดเลยครับเบียอีบาดีฮิบาวบาวของพระองค์ทั้งหมดนี่เจ็ดพันล้านเนี่นะอลัลลอ์รู้หมดว่าบาวของพรอคเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างทำอะไรบ้างตอนนี้กันถือบวชกันกี่คนไม่เถือกี่คนรู้หมดนะครับแล้วก็บาซีรุนทรงเห็นด้วยไม่ใช่รู้ธรรมดา รู้เรื่องจิตใจของมนุษย์แล้วก็ต้องเห็นอีกพี่น้องบอดซีบบอรทรงเห็นตลลอดมันต้องใช้สายตาที่เป็นความรู้บ อ, um. อลอรรรคุปหานุบตดอะไรแค่ดังนี้เราเ อ, าเองก็ยอมจำนนตนต่ตออรรเ ด, ดจนั้นยอมจำนนตนต่ออรรดีกว่านะครับสบายใจนะครับอัลฮัมดุลิลละตัวลวงวันบนเทียมมันมีจริงไหมมีจริงครับตาเราฟื้นจริงไหมจริงครับคุณอาจไปเรื่องจริงใช่ไหมจริงนั่นเป็นความรู้ผ่าน ให้นบ um ีมหมัดรู้หมดเลยครับแล้วทำดูลินแล้วฉะนั้นเราถ้ารู้การอ่านอย่างเดียวเนี่ยเก่งยางเก่งแม่ัมดูลินแล้วเอาต่อมาครับอายาที่สามสิบสองซุมมเอวรสนลกิตาบอัลลัษฏ์ทัฟนามินอิบาดินา فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير อะลัยฮ์มูเลาะห์อะยาเน่ดีจริงๆครับเรื่องของเรามเลยนะ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اشْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدَ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَٰلِكَ ه و ا ل ف ض ل ا ل ك ب ي ر ُ Allahu a الحمد لله ดีใจอันอัยานี้สบายใจอัยานี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้นี่จะพราะมุสลิมนะคนกาฟเฟตไม่เกี่ยวนะนี่จะรับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกที่รับอิสลามอยู่เท่าไหร่ก็ตามวันนี้ถ้ายึดอัลล่ะยุดราซูน ยึดอ ي มา ن หข้อแล้วก็ปฏิบัติตามรูกลอิสลามอีกหข้อเนี่ยนะฟังแล้วสบายใจนะซุมอาอรสนาและเราได้ให้มุสลิม อ, อิสตอฟายนาะเราได้เลือกอเห้แม้เราได้เลือกชื่อมุสตาฟาชื่อผมเนี่ยแปลว่า ได้เลือก <laughs> อิสตอฟายนาะแปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้เลือกเห็นยังครับอย่างเง่าบรรดานาบี น, นบีคนสุดท้ายนี่เลือกใครเลือกนบีอุมมัดขึ้นมาเห็นไหมนี่เลือกแล้วแล้วก็เลือกเลือกนบีอุมมัดเนี่ยอัลลอฮ์มองไม่ได้มองที่ใบหน้าด้วยมองที่หัวใจของคนแต่และคน ใครที่ใจสะอาดอัลลอฮ์เลือกคนนั้นขึ้นมาอย่างเราเลือกรอซูลเหมือนกันรอซูลทั้งหมดที่บนโลกมาเนี่ยนะเลือกผู้นำใช่ไหมนบีแต่ละคนแต่ละคนอัลลอฮ์เนี่ยเลือกแล้วนะไอ้เลือกของอัลลอฮ์กับเลือกของเราต่างกันนะเราต้องเลือกแบบลงคะแนนใช่มไหมจะเลือกนู้นเลือกนี่ลงคะแนนแล้วซื้อก็ได้เปล่าโอ้โหเห็นไหมแต่ของอัลลอฮ์นี่ไม่มีสิทธิ์ครับฉันเลือกมานี่คนที่อัลลอ ดูแล้วอัลลอฮ์ไม่ไม่ดูที่ใบหน้าด้วยนะดูที่หัวใจกับอามัณครับแล้วก็เลือกมาลายิก้าอีกละ่ะอย่างยิบรีนเนี่ยเลือกยิบรีขึ้นมาให้ติดต่อกับบรรดานาบีเท่านั้นเห็นไหมอัลลอฮ์เลือกมาลายกาิก้าแต่ละองค์องค์ให้รับผิดชอบดูแลอัลลอฮ์เลือกมาหมดเลยไม่ก็ใช่เมาสนะ์นะรออับดุลแนั้นคําว่าอิสตอฟายนาะเนี่ยอัลลอฮ์ได้เลือก ใครครับไอบาดินามินไอบาดินามินแต่ว่าจากจากประชากรเนี่ยวันนี้เท่าไรเจ็ดพันล้านสมัยนบีก็คุณยังไม่ถึงนะนะพันสรอยกว่าปีน่อาจจะไม่อาจจะไม่ถึงเจ็ดเจดพันล้านประชากรทั้งหมดที่อยู่บนโลกนี้อัลลอฮ์ได้เลือกโอ้ได้เลือกมานะครับพี่น้อง พอเลือกเสร็จแล้วก็เอารสนากิตาบเราได้วารสนะเอาระบบวัฒให้มรดกเอารสนารเราได้ให้เขาได้รับมรดกให้เขาได้รับมรดกบาวของอัลลอ์เนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมนะอัลลอ์ให้ เลือกเขาเหล่านั้นให้เป็นมุสลิมแล้วก็ให้พวกเขาได้รับมรดกคำว่ามรดกเนี่เราตีความถ้ามบ้าจากพ่อได้จากที่ดินใช่ไหมบ้านอพาร์เมนต์รถใช่ไหมมรดกพ่อแต่มรดกของอัลลอ์นี่อะไรรู้เป่าอัลกิตะเข้าใจไง่ายไหมฉะนั้นความรู้มาจากอัลลอฮ์ในคัมภีร์คุรอ่านทั้งหมดนี่เป็นมรดก ใครนามาอัลลอประทานให้กับนบีมุฮัมมัดสุลตานมุสลามเป็นมรดกทรานนบีทั้งหมดที่มาในโลกนี้นานาเอามราดกที่เป็นความรู้ให้กับนบีให้นบีมาส อ, สอนสอนสอนไม่ใช่เงินเพราะนบีเนี่ยไม่จะรับมรดกจากอัลลอฮฺเป็นเงินเป็นทองเป็นที่ดินไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไมีครับ แม้แต่นบีมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งน่ะพี่น้องวันที่นบีตาย น, นาบียกวาคับเลยยกวัคบเลยฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดไม่มีมรดกให้ลูก <c oughs> ที่พวกชิอากระดาพวกซุนีเนี่ยดูสิหาว่านบีแล้วจะก็ว่าว่าเป็นของนบีเองเนี่ยนะนบีไม่เคยเก็บมรดกเอาไว้ให้กับลูกหลานตัวเองมรดกเป็นของอัลลอฮ์รอซูลอัลลอฮ์รอซูลอัลลอฮ์รอซูลหมดทั้งยังฉะนั้น นบีมีมรดกเป็นอะไรเป็นความรู้แค่นั้นที่เราถูกด่าบกนหน้าไมค์ว่าบีก็เพรา ะ, ะนี้แหละเออเอาความรู้แต่มันไม่ผ่านอิมามแล้วก็เอาอัลลอฮ์ก่อนไม่ได้หรืออ่านี่ข่าวมาอีเล้วว่าเอดนี้นี้นะให้นามาตกรรมแจ้งเอ้าวว่าบีเปล่านี่จะถูกข้อหาว่าบีตอนนี้เอา น, นิดนิดหน่อยแต่นิดนิดใช่ไหมใช่ไหมครับ โรคโควิดมานี่เข้าหาหลักการหมดเลยเห็นไหมที่มักกะกับประกาศนอมาตสิบอ่ะทำไมมันมาตยี่สิบอ่ะมันมันมันมันมันพอถึงวาระจริงๆนี่นะเข้าหาหลักการมดเลยสุน่านบีสุน่านบีสุน่านบีหมดเลยเป็นยังครับนี่ก็ประกาศแล้วว่านอมาตการแจ้งนะอ่าแอบมาเห็นไหมเห็นไหมนี่ไหมฉะนั้น อัลลอฮ์นี่นะเลือกมนุษย์มาเฉพาะคนนี่เป็นมุสลิมอย่างเดียวนะขณะ น, นี้ประมาณกี่พันล้านเอาว่าสองพันล้านกว่าแล้วกันทีนี้ในบรรดามุสลิมนั้นได้รับคำพีกูรอ่านมาเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ใช่หรือไม่ใช่เมื่อรับมาแล้วเนี่ยมนุษย์แบ่งออกเป็นสามกลุ่มพวกเราวันนี้นะี่นะมุสลิมเนี่ยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่ง นี่กลุ่มที่หนึ่งไม่แปลว่าอะไรครับลอลิมลินับซิก็คือในหมู่พวกเขานั้นมีผู้อาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองนี่กลุ่มที่หนึ่งมุสลิมเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้ทำบาปทำบาปใหญ่มีไหมมี นามาศไม่ครบมีไหมมี <c oughs> ทําบาปน ะ, ะคนที่ทําบาปเนี่ยกรุณาบ้าไงนะรอเ ล, ลมเขาอาธรรมลีนับซีแก่ตัวของเขาเองเห็นไหมพี่น้องนี่เป็นมุสลิมนะแต่ Allah, อัลลอฮอภัยยโทษให้เห็นยัง ฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมแล้วไม่รู้ราวเองหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะกลุ่มหนึ่งมีอสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะี่ที่เลาล่อเลือกมาเป็นมุสลิมแล้วนะี่นะเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองแต่อัลลอฮอภัยโทษให้มีหะดิษอธิบายบอกว่าลอลิมุลีนับซีพวกเขาเนี่ยนะทรยศหรือว่าล่อลลมกับตัวของพวกเขาเองยักษฟรอ์แล si นะ้อัลลอ อ, อภัยโทษให้เขา ให้เขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เราหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ <c oughs> ขอขอนุญาใช่ไหมนี่ปลอบใจอย่างปลอบใจมุสลิมนะคนสามกลุ่มนี้ได้ไปสวรรค์หมดนะข้อที่สองครับวามินฮุมมโกตาสิดประการที่สองได้หมูวพวกเขานั้นมีผู้ ครึ่งคึ่งกลางกลางมุกตัสิสแปลว่าครึ่งคึ่งกลา ง, งกลางอธิบายยังไงทำความดีด้วยกระทำความชั่วด้วยพอๆกันห้าสบหาิอัลลอ์ก็ให้เข้าสวรรค์เห็นไหมเพื่น้องมุกตัสิสครึ่งๆึ่งกลางกนะครับตัอธิบาบรรยแว่าอยูฮาซ บ, บุฮิซาบัยยาซิรออัลลอฮ์ะจะคิดบัญชีวกเขาแบบง่ายดายให้ไปสวรรค์เลย คอ่านตลอดให้ทยาในกลุ่มสามกลุ่มเล้เราจะเป็นกลุ่มไหนก็ได้ครับตลลอดนะ อ, อีกเรื่องหนึง่งกลุ่มที่สามวามินหุมซาบีกุมบิลคยรอกลุ่มที่สามนี้คือในหมู่พวกเขานั้นมีผู้รุนหน้าอ๋อมีผู้รุนหน้าในความดีทั้งหลายทําความดีล่วงหน้าอู้เยอะมากนนามาเนี่ยกลุ่มไหนหรมาเนี่ย ในยุค ข, ของนบีแสบีคุมบิลคอยรอดรุ่นหน้าในความดีทั้งหลายหมายถึงยุคนบีแล้วก็มุกตอซิดครึ่งครึ่งกลางกลางอธิบายว่ายุคสฮบานนบีแล้วก็รอลิมุลลินับซิยุคที่ยุคปัจจุบันคือพวกเรานี่ละ จะได้ที่ร้อนล็มอารรมแก่ตัวเองแต่ Allah อภัยโทษให้เข้าใจนะสาเหตุที่อภัยเพราะอะไรรู้เปล่าไม่มีชีริกแค่ท่านยาใครยาใครที่ไปหาโตตะเกียระนะเลิกได้แล้วถ้าไปหาโตตะเกียไปหาโตระยอและไปหาหมอดูทั้งหมดในนาผูกอัลเลมบงอัลฮิมัต ท, ที่แขนที่ขาที่คออะไรก็ตาม พวกไปหาหมอดูทั้งหมดจะแต่งงานลูกนี่นะพวกโต๊ะโต๊ะแช่แเนี่ยอันตรายนะไอเรียนมาจากสมัยเก่านี่เขามาจะสอนเรื่องชีริกเยอะนะนะขับเป็นมุสลิมก่อนทำเวลาไม่กินหมูก่นเก่าดิแล้วไปเนองกระปรก้องกันไว้ไปเนองฉะนั้นถ้าไม่มีชิริกติดตัวไปนะเราปลอดภัยครับแต่ถ้ามีชิริกนะไม่ปลอดภัยครับอ่านหล่อเห็นอย่างครับฮะดิษของ ท่านนาบีท่านอิหม่ามอิบนีมัสออดรดิออลอ่างคุณอธิบายบอกวา่าอุ ม, มาของนบีประมาทนยุคนี้นะยุคมอมัดนี่มีคนอยู่หนึ่งในสามหนึ่งในสามที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบหนึ่งในสมคิดบัญชีแบบง่ายได่อุ ม, มาของนาบีปะมาทเป็นมุสลิมนะหนึ่งในสามที่พวกเขาเนี่ยนะครับ ทำความทำความผิดใหญ่ๆนะครับแต่พวกเขานั้นไม่ทำชิริกเข้าใจนะลัมยุชลิกูบีฮีแต่พวกเขาไม่ทำชิริกทำบาปอย่างอื่นเพราะผู้อ่านอธิบายอย่างนี้อลัลลอฮ์เนี่ยจะไม่อภัยโทษให้กับคนที่ทำชิริกวายักฟิรุมาดูนอาดาลิกาลีมาิยชะส่วนอลัลลอฮ์จะอภัยโทษในบาปอื่นๆ ใช่ไหมในบาปอื่นๆที่เขามีอยู่ อ, อัลลออภัยโทษให้ถ้าไม่มีชีริกติดตัวไปฉะนั้นอายานนี้ปลอบใจมุสลิมนะมุสลิมในโลกไม่จะมีเท่าไหร่ก็ตามนะครับอลัลลอให้เข้าสวรรค์หมดถ้าไม่มีชีริกติดตัวก็ขอดูวอัอลลอฮให้เราอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ได้ใช่ไหมกับ ก, กลุ่มมุขตาซิดกลุ่มอะไรนะกลุ่มกลาง และไอกลุ่มซาบิกุมเบลไครรอนเนี่ยเขาจะไม่ใช่พวกเราเนนะพวกนี่ยนะยุคนาบีนะยุคสหบาลหนาบีแล้วก็พวก ก, กลางๆกับพวกตาบีอิตาบีไอ้เราเี่อยู่หลังก็เป็นรอริมดินับซีกันนะยอมรับตัวดีกว่แล้วกันนะทำอยดีแล้วแต่ได้ไปสวรรค์ไหมได้ไปสวรรค์แต่ต้องไม่มีชิริกติดตัวไปเนี่ยสอนนะสอนพวกเราวันนี้นะเป็นคนดีนะดี แต่บางทีเราก็ทำผิดเราก็อภัยโทษไปบาง ท, นะทีเราทะเลาะ ก, กับพ่อแม่ตัวเองมีมั้ยบาปใหญ่นะตัดขาดจากญาติพี่น้องก็บาปใหญ่แต่ถ้าไม่มีชี้เล็กอิจฉาเราอ่านคุรนน า, านญาญานี้สบายใจอลล่ะอัลลอฮฺอลลอฮฺอัลเบอร์อัอ่านอีเที่ยวนะซุมมเอารอสนนลกิตาบัลฮะดิสตอฟายนามินไอบาดินา เราได้ประทานคำภีให้เป็นมรดกบุคคลที่เราได้เลือกมาจากเบาของเราทั้งหมดมีสามกลุ่มต้มองยึดคุณอานนะ <c oughs> คือมุสลิมต้องอ่านคุณอานแล้ววันนี้นะเพราะเอาอัลกุรอาไปว่ารับมรดกจากท่านนาบีมาเป็นความรู้นี่นะฟาเมนฮุมลอลิมุลีนับซี บางคนอยู่ในกลุ่มพวกเขานั้นยอเล็มกับตัวเองนะครับนี่ยเอาลออภัยโทษให้แต่ต้องไม่มีเชิกวามินหุมมกตสและในกลุ่มพวกเขานั้นมีบางคนครึ่งๆึ่งกลางกลางมีชั่วด้วยดีด้วยใช่ไหมอันที่สามกลุ่มๆุ่มที่สองเนี่ยเอาลอคิดบัญชีแบบง่ายได้กลุ่มที่สาม วามินหุมซาบิกุมบิลคอยร์แล้วก็มีในหมู่พวกเขามีพวกรุ่หน้าในความดีทั้งหลายบิอิสนิลตามพระบัญชาของอัลลอฮ์โดยอนุมัติของอัลลอฮ์เป็นยังครับห้มเุินละสบาใจนะในแงที่ว่าการค้าไม่ขาดทุนน่นเอเพราะอย่างนี้แหลนะอย่างนีติยาลลันตะบุทําการค้าเท่านั้นมันไม่ขาดทุนพี่นอ้อง แต่เขาอีกขายห่อให้มีอะไรมีชิริกติดตัวไปโต๊ะตะเกียนะมีได้แต่อย่าอย่าไปกันแล้วกัน่แค่ขับรถผ่านๆก็พอแล้วนะบอกกับลูกว่านี่นี่นี่นี่สมัยก่อนในยอดมาประจําดือนี้ยอดเตาบ้านแล้วเลิกแล้วไม่ขอจากโต๊ะตะเกียรแล้วอรรถลงท้ายว่าไงรูกไหมซาลิกฮุลฟอดุลกับบีโอโหตรงนี้ดีมากนะครับนั่นคือความโปรดปรานเห็นยังครับ อันยิ่งใหญ่อันใหญ่หลวงอันยิ่งใหญ่อันใหญ่หลวงคนที่ได้เนี่ยหมัด ต, ตรงนี้นะเป็นคนที่อารม์เมตตาเห ล, ลือเกิดก็นนะเป็นมุสลิมเจออย่างน้อยก็ปลอดภัยนะฮำดุิ ล, ลาแล้วก็ต้องเรียน ด, ด้วยนะต้องยืดกุณอานด้วยนะจะเป็นกลุ่มซอลิมดีนับสิหรือมุขโตซิดหรือซาบีกลุ่มเปคร้อยก็ตามแต่พี่น้องอิชาร์เราได้เข้าสวรสด์หมดถึงสากลุ่มเลยนะอห้ามดุริเลาะสบายใจก็ห้ามดุริเลาะ เอาต่อมาอายาที่สามสิบสามนี่เป็นรางวัลทั้งหมดนะนะยันตัวเดียดคุลูน่ายุฮัลลูนาฟีฮะมินอซาวิรอมินซาบะวลุลลูอัลลิบาซุมฟีฮะฮาริร จันนต์วัดนี้จะเขลุนายุหัลลูนาฟิห์มินอซาวิรมิงซาฮับวัลูลูอาวัลิบาสุห์มฟิห์ฮารีรอัลลอฮุอะบดุลนเล่าชีวิตในสวรรค์แต่งตัวยังไง ญันนาแปลว่าคือคือคือสวรรค์เป็นภูพจินนะยันนาสวรรค์หลากหลายแล้วก็อาเดนินแปลว่าอยู่ไปตลอดอันสถาพรสวรรค์อยู่ไปตลอดเลยไม่มีวันหมดอายุดุนยานี้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดอายุ แต่ข้าวสวรรค์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราถอดหมดก่อนก่อนข้าวสวรรค์เนี่ยถอดความอิจฉาออกถอดความโมโหวความเกลียดชังอะไรทั้งหมดที่อยู่ในใจอยู่บนรุญานี่มีมีหมดใช่ไหมโมโหมีโกรธมีผูกพยาบาทมีเอาชนะมี เถียงคอเป็นเอ็นมีอะไรมีมดแต่ในวันเกียมาอัลลอถอดออกหมดเลยลอัลลอฮฺุอกบดุลจะนั้นใครมีพญามีพยากี่คนไม่ทะเลาะกันครับสต่โยบุญญาเนี่ยอัลลอฮ์ก็แปะไว้นิดหนึ่งให้มันทะเลาะกันนี่แหละ <c oughs> คนที่มีอิมรันก็ควบคุมอารมณ์ได้ใช่ไหมนบีเล่าเองนะรยาฉันมีแปก้าคนไม่เคยทะเลาะกับฉันช่วยนบีหมด แต่มีพระยาณบีอาดมอยู่คนเดียวที่ยุให้สามีทำบาปใช่ไหมนโมสบิลลาไม่ใช่แต่วลงมาสวรรค์หน้าเข้านะได้เข้าแน่อินชาอัลลอ์นะยึดกุณาแน่นๆนะครับยะตุคูลูนาะพวกเขาเข้าไปอยู่ในสวรรค์ฮาเนี่ยาวสวรรค์พี่น้องเอาศัพท์ไปบ้างนะเอาศัพท์ไปบ้าง อยู่ฮัลลเราหนะ่ฮัลลาเราแปล ว, ว่าถูกร้อยถูกร้อยร้อยอแบบพวกมาลัยนะถูกร้อยนะถูกร้อยที่ไหนครับมินอาสาวิตกำไรอาสาวิตแปลว่ากำไรคุณจะมันที่แขนมากกาล้วนะใส่แขนมีกำไร นะครับใ น, ในสวรรค์มีมีกำไรนะสวยด้วยนะกำไรทำมาจากอะไรครับมินซาฮบซาฮบเปโวทองมีกำไรที่ทำมาจากทองนี่เป็นอภรร์ร้อยคนที่อยู่เข้าสวรรค์ต่อมาครับวาลุลูอาลุลุไปว่ไาขา่มุกไข่มุกบนโลกดุย ญ, ญาเนี่ยอยู่ในปากหอย น้ำเค็มกับน้ำจืบในระหว่างเค็มกับจืบนั้นมีหอยมีไข่หอยเหรอไหมหอยใช่ไห ม, หอไหมเอาหน้าเอาฝนน้าฝนหยดหนึ่งใส่ป่าเราไว้อยู่ใต้ใต้ทะเลนี่นะครับออกมาเป็นเป็นไข่มุกเห็นไหมแล้วใครทําให้แล้วไข่มุกในสวรรค์นี่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะครับวารีบาสูฮุมลีบาส ล, บาละวะอาพรเอาสับไปให้จําด้วยนะลีบาสละวาลีบาสละวะอาพรเสื้อผ้า ฟรีฮในสวรรค์นั้นฮาริรุนเป็นผ้าไหมหมดเลยครับบนดุนยานี่เขาห้ามผู้ชายแม้ใส่ผ้าไหมแต่ผู้หญิงใส่ได้แต่บางคนก็ยังใส่ผ้าไหมยอยู่เองหมดสิทธิ์ที่ชายในโลกอาเซอร์เห็นไหมทัานคนกาเฟสเนี่ยนะตัดผ้าไหมหมดเลยนะส่วนนอกกบผ้าไหมไอันนู้นก็ไหมาชายตามสบายแต่เราไม่กลา้า เพราะเรากลัวครับเพราะเราต้องการจะชาในโลกอาคีรัตนี่เล่าเรื่องอาพรกับการร้อยนะครับกําไรกําไรทองและไข่มุกเอาไว้ที่อ ว, วัยวะส่วนไหนอาจจะเป็นแขนมากกว่าเหนะว่าล้อว่าลำ น, นะครับเนี่เอาล้อเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะมีไข่มุกมีทองนะครับแล้วก็มีอาพร อัลลอฮ์ทำด้วยผ้าไหมอัลลอฮ์อักบัสสวยนะวันนั้นนะเรื่องเหงาไม่มีเรื่องเบื่อไม่มีเรื่องเหนื่อยไม่มีเรื่องนอนไม่มีด้วยในสวรรค์นะอยู่บนดุงดาเนี่ยใครลองไม่นอนดูสิคืนเดียวรู้สองคืนนั้นแหละแย่แล้ว <c oughs> ขอบคุณเ่านละทำดูเลยเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆนะอัลลอฮ์อักบัสแล้วก็กลางคืนไม่มีด้วยมีแต่กลางวันตลอดหาความสุขให้เต็มที่เลยไปอัลลอฮ์อักบัส นี่ถ้าเล่าลงสวรรค์อย่างเดียวนะหะดิษเยอะมากนะครับแต่ก็ค่อยอ่านกันไว้นะอิสซาอลละอายะสุดท้ายวกอลุลฮะมดุลลอฮ์อัลเลดี أذه บ عن الحزنإن ربنا لغفور شكورالحمد لله นี่เป็นดวอาของคนชาวสวรรค์ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور سكور พวกเข้าสวรรค์ทุกคนจะกล่าวว่าคำนี้อัลฮัมดุลิลลาให้มาพป็น้องครับเราก็กล่าวคานี้อยู่บนนุยยาใช่หรือไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลากินข้าวอิ่ม الحمد لله الذي أطعمنا و س ك ن ع ل ن ا من ا ل م س ل م ن ا าบ ا م ا م و ا ا ل ع ر و س ب ل أ ج ر إن شاء الله كنahan ตลอดสิ illah, ana, una, ่งอดแล้วใช่ไหมกว่าจะไปนมาดมะริบอัลฮัมดุลิลลาหเรากล้อัลฮัมดุลิลลาห์ข้าบ้านเราให้สลามออกจากบ้านเราให้สลามพอข้าสวรรค์กล้าอัลฮัมดุลิลลาหแปลว่า ขอบคุณอัลลอฮ์บรรดาการซาเซอร์ลับ Allah. Allah, บินของอัลลอฮ์อัลลอฮ์องคบังดีใจมากเลยนะอย่างอื่นไม่ต้องกล่าวครับนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะภาษาแรกที่ชาวสวรรค์กล่าวอัลฮัมดุลิลต่อมาครับกล่าวต่อไปอีกอัลลอฮ์ที่อัลฮะบะอันอัลฮะจันอัลลอฮ์ผู้ทรงขจัดความระทมออกจากเรา รอพวกเราที่ไม่เอาศาสนานะ่ก็เดินลงนรกแต่เราเนี่ยรอ ah ok กันไม่ให้ตกนรกถึงพูดภาษานี้นะอัลลอฮ์ Allah, พูดได้รมขจัดความรัทโมออกจากเราความเสียใจออกจากเราพอเราอยู่บนดุญญานี้เราเป็นมุสลิมเราเป็นมุหมินถูกดามตาตลอดใช่หรือไม่ใช่อ่า ขนาดเป็นซุนาก็ยังถูกด่าเลยนะ่ะพวกวาฮาบีเห็นยังครับถูกด่าตลอดยิ่งนบีนี่ก็ถูกด่าตลอดขนาดนาบีตายไปแล้วยังมีคนด่า น, นาบีอีรมุมินพวกเราถูกอะไรไม่ถูกถูกครับเป็นมุมินต้องระวังตัวตลอดครับแต่โควิดมานาบีบอกว่าคนมุมินมองเป็นรอฮมะแต่คนกาเฟตมองเป็นอาลาเราก็สงสารนะฆ่าตัวตายกันเยอะมากอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะ เพราะเขาคิดว่าไม่มีทางออกแล้วจบแล้วอาล้อนี่มันเรื่องจิบจิบนะนึกถึงประวัติของพวกพวกลูทใช่ไหมอาร้อนสงอาดาบมาห้าห้ายามนะมีอะไรมามีเสียงกำปนาแล้วก็มีไอ้นาะอะไรนะมีตาบอดก่อนเอามมลิก้าตบตบตบตบต บ, ตบหน้าเนี่ย ตาบอดหมดเลยนะนี่อาดย์ที่หนึ่งนะต่อมาอีกมีเสียงกำมะนาตมากลัวอยู่แล้วนะที่สองแล้วนะอันที่สามอาลัลลอฮฺให้ฝนตกลงมาเป็นก้อนหินแล้วก้อนหินยังมีชื่อติดอีกนะผมนึกถึงโควิดนี่นะมีชื่อติดหรือเปล่าไม่รู้มองไม่เห็นเลยนะถูกคนนี้คนนี้คนนี้ในบางประเทศตายเป็หมื่นก็มีมากที่ซาอุดีตายไปสองห้าสิบไม่น่าจะตายอ่ะ สครจะคุณจไปฝากไฟยูดีเยอะเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมแล้วคนไทยมันก็ตายเบาที่สุดในโลกใช่ไหมละ่ะประมาณห้าสิบกว่าคนมีชื่อติดมาด้วยจะก้อนหินนะเพื่อน้องครับแล้วก็ข้อข้อที่สี่เนี่ยพริกแผ่นดินนะข้อที่ห้านี่แกวไว้เป็นอุทาหรณ์ในปัจจุบันนี้เด็ดสีปัจจุบนนันห้ารายการนี้น่าอายน่ะถ้าไม่อ่านกูอ่านนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าอายหรอกแต่ถ้าอ่านกูอ่านนี่มันน่าอายนะ ที่ผมกลัวมากก็คือยโยนก้อนหิน ล, ลงมาจากฟ้าฟ้านึกว่าเป็นฝนแต่ที่ไหนได้มีชื่อติดมาด้วยอ่ะถูกคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ น, น, นาอูซบิลลาฮิมินซาลิกกลัวมากครับตกลงว่านี่คนเข้าสวรรค์นะภาษาแรกที่เขากลากก่าวก็คืออัลฮัมดุลิลลอฮ์อัลลาฮอัลฮะบานอัลฮะซัน อัลลอฮ์ได้ทรงขาจัดความความระทมความเสียใจออกจากพวกเราแล้วอินนารบานาแท้จริงพระผู้อภิบาลของเราเป็นไงครับลาอฟูรุนน่ประชมอัลลออีกแล้วในในในใ น, ในสวรรค์อัลลอฮ์เป็นผู้กอฟูรุนเป็นผู้ให้อาภัยถ้ายินงอัชชาขอนุอานในเดือวมาร้อนของไงรู้ไมอัลลอฮ์อินนกาลฟูวุนตให้บุลาฟูอาฟูอันนีใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ขอซะ บอกให้ภรรยาขอให้ลูกขออัลลอฮฺเมื่อไนะก็อัฟูวุลตุฮิบุลาอัฟฟารัฟูอันาถ้า Allah อัลลอฮอภัยแล้วจบไหมพวกในคุกเนีมม่ยรออะไรรอการอาภัยโทษใจนี่ไม่ใช่ฉะนั้นอัลลอฮฺอัลบาดอัลลอจะอภัยโทษในความผิด ข, ของฉันเถอะนี่ขอดุด้าให้พ่อแม่เราด้วยนะที่นอนอยู่ในกูโบละล้วคนที่มีบุญคุณกับเราเนะ่ยเยอะั้มผมต้องขอเยอะเพราะผมมีคนมีบุญคุณผมเยอะ ต่างอัลลอฮฺมารในอินเดียนี่ยรุมจักหมดเนี่ย น, นะอัลลอฮฺอักบารฉะนั้นต้องขอมาเยอะนะครับอาลฮะยาสุดท้ายเป็นไงถูมั้ยดูอาของชาวสวรรค์ก็คืออัลฮัมดุลิลละอันที่สองอัลละดีอัลฮะบะอันฮะรันอัลลอฮฺผู้ได้ทรงขจัดจจความระทมความเสียใจความทุกข์ความเศร้าออกไปจากตัวเราแล้วอัลฮัมดุลิลละ อินรบบนรบนาแท้จริงพระผู้อาภิบาลของเรานั้นลากอูรุนนี่ไปชมอัลลอ์นะอยู่บนนุ ญ, ญาตเรกกาก็ชมอัลลอฮ์เนะเป็นผู้ทรงอภัยชากูรุนผู้ทรงประธานรางวัลตอบแทนอัลลอฮ์รวันได้สวรรค์มาละฮัมดุลิละนี่เป็นรางวัลสูงสุดที่อัลลอ์เพิ่มให้เป็นพิเศษไอ้คำว่าเพิ่มให้อธิบายอย่างนี้อีกนะเห็นหน้าพระพักอัลลอ์ เห็นหน้าพระพรอัลลอฮห็ยังครับเห็นหน้าพระพักอัลลอฮ์นี่มันสุขเรื่องเรื่องเศร้าไม่มียิ่งเห็นยิ่งสวยสวยมากเลยอัลลอห์ลืมหมดเลยอ่ะขอตัวให้เข้านั้นก็เห็นหน้าอัลุฮสวนสวนสวรรของอัลลอ์แล้วก็มีเสียงซลาหจากอัลลอ์อยู่ตลอดเวลาซาลามุลซาลามุลซาลามุลอัลลอฮ์อัลลใหญ่ครับ و ารเบล ك سبحانه อ ل ลลอฮุ ح م มดิกะ أشد ولا إله إلا أنت أستغفرك و ا ت و ب إليك وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين